ผมลืมไปแล้วว่าผมเคยเล่าเรื่องแมวเหยียบไฟเนี่ยให้ท่านผู้ฟังฟังไปแล้วหรือยังแต่ก็ไม่เป็นไรครับถึงฟังไปแล้วก็เดี๋ยวเล่าอีกทีก็ได้เพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจคุณสัสนสณีรู้จักกันในชานอ่าในชานนี่เขาอยู่แถวเมืองนนท์นะครับคุณสัสนสณีบอกว่ากลับบ้านเกิดตอนปิดเทอมเดือนเมษาพอกลับบ้านก็ ได้ข่าวไม่ดีว่าชันได้ลูกที่มีความพิการคือนิ้วมือและนิ้วเท้างอเข้าหากันไม่สามารถจะเหยียดตรงได้ตามปกติเมื่อนําไปรักษาหมอก็ไม่สามารถจะรักษาได้เพราะว่าจะต้องทําการผ่าตัดเส้นประสาท ส, ส่วนนั้นออกแล้วก็จะทําให้เด็กเกิดอาการพิการส่วนอื่นคือทางสมองก็ทําให้ชันไม่ลงชื่อว่าจะทําการผ่าตัดเพราะว่ากลัวลูกของตัวจะเกิดอันตรายเพราะเพิ่งจะเกิดมา ชานและภรรยาต้องทํางานหาเงินมาเลี้ยงลูกเพิ่มมากขึ้นซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เนื่องมาจากการที่เขาได้เคยทํากรรมไว้กับแมวซึ่งเป็นสัตว์ที่เขาคิดว่าสกรปรกนะแต่ว่าหารู้ไม่ว่าใจของชานเนี่ยสกรปรกกว่าแมวซะอีกเมื่อตอนที่ชานยังเด็กอยู่นั้นเคยทําบาปเอาไว้เยอะจนคนในหมู่บ้านรู้จักชานดีว่าเป็นนักล่ามืออาชีพตั้งแต่ตอนที่ยังเล็กอยู่แต่ก่อนที่ชานเป็นคนทําบุญทําทาน แต่ต่อมาก็ถูกชักชวนจากเพื่อนมาทำไมถึงทำบุญทำทานมากเมื่อเราตายไปเราไม่ได้เอาอะไรไปด้วยแทำไมจะต้องหาไว้ล่ะก็ทำให้ชานเริ่มหันเหชีวิตมาเป็นนักล่ากับเพื่อนๆพ่อแม่ของชานต้องเป็นทุกข์ใจไม่รู้จะสอนลูกยังไงถึงจะเลิกล่าสัตว์แต่ก็ได้ทำบุญทำทานต่อไปเพื่อที่วกรรมของลูกตัวจะได้ทุลาเบาวบางลงไปไม่มากก็น้อยวันเวลาผ่านไปนานเข้าจิตใจของชานก็เปลี่ยนไป ทำการล่าเพราะสนุกทีแรกก็เอามาขายเป็นอาชีพบางครั้งคนล่าสัตว์มาทรมานไม่ว่าจะเป็นสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่หรือไม่ก็พรากสัตว์เหล่านั้นจากพ่อแม่โดยที่ไม่คิดว่าการกระทำอย่างนั้นถูกหรือผิดเป็นบาปหรือว่าเป็นบุญในทางพระพุทธศาสนาถ้าเราทำลายสัตว์เพื่อนำมาประกอบอาหารเพื่อการดำรงชีพก็ยังไม่ถือว่าบาปหนักกว่าที่นำสัตว์เหล่านั้นมาทรมานเล่นหรือว่าฆ่าทิ้ง ไม่ได้นำมาประกอบอาหารอะไรต่อมาชานก็ได้แต่งงานกับหญิงสาวที่อยู่คนละหมู่บ้านก็ทาให้ชานต้องย้ายไปอยู่กับภรรยาของตัวชานไม่สามารถจะทำอะไรที่เขาเคยทาบ่อยๆนั้นได้เพราะว่าหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านรักความสงบคนในหมู่บ้านห้ามล่าสัตว์เพราะถือเป็นบาปอันใหญ่หลวงมากแต่จิตใจของชานก็ไม่เปลี่ยนแปลงเขาก็หันมาทำร้ายสัตว์ที่มีในบ้านแทนนั่นก็คือแมว ชาเนได้ทำเรื่องไม่ดีต่อแมวจนแมวในหมู่บ้านต้องมารับเคราะห์จากการกระทำของตัวการกระทำนั้นก็คือล่อแมวมาที่บ้านโดยนำเศษอาหารที่เหลือมาวางไว้ตรงหน้าบ้านเมื่อแมวมาถึงก็ให้รีบนำตะข่ายมาล้อมไว้แล้วก็จับแมวไปที่ห้องครัวนำก้อนไฟที่คีบจากเตาไฟใหม่ๆมาให้แมวเหยียบแมวนึกว่าเป็นก้อนอาหารก็ตะครุบ พอเจอความร้อนที่เท้าซึ่งบอบบางก็รีบตะเกียกตะกายหนีก้อนไพลแล้วก็ร้องลั่นไม่หมดเมื่อได้รับบาดเจ็บที่เท้ามันก็ไม่สามารถจะเดินได้กินอาหารก็ไม่ได้แล้วในที่สุดมันก็ตายการกระทําของชานที่ได้ทํานี้เพื่อนบ้านได้เห็นก็รู้สึกระอาใจที่ว่าทําไมชานถึงได้ทําอย่างนี้ได้ลงคอต่อมาชานก็ได้พบเพื่อนบ้านใหม่เพิ่งจะย้ายามาอยู่ใหม่ๆเพื่อนบ้านก็ชวนชานไปชนไก่เล่นหวยใต้ดินเป็นประจํา ทำให้จิตใจของชานนี่เลวลงเลวลงมากขึ้นทั้งฝ่ายภรรยาก็ห้ามแต่ห้ามเท่าไรชานก็ไม่ยอมเชื่อเพราะเห็นแก่ความสนุกความสบายภรรยาของชานะเป็นคนธรรมะธรรมโมจะทำบุญทำทานทุกวันแล้วก็ได้อธิษฐานว่าการกระทำของตัวนี่ขอให้ส่งผลให้สามีของตัวคือในชานนี่หายจากความบ้าบิน่นความโหดเหี้ยมทารุณเถอะต่อมาภรรยาของชานก็ให้กำเนิดลูกคนแรกเป็นผู้หญิงสมประกอบดี แต่ว่าชันไม่ค่อยพอใจเพราะว่าชันอยากจะได้ลูกผู้ชายทำให้ชันไม่ค่อยสนใจต่อภรรยามากนักและลูกของชันก็ไม่ค่อยจะเชื่อฟังพ่อเท่าไหร่เพราะพ่อไม่เคยสนใจเลยต่อมาภรรยาของชันก็ได้ให้กำเนิดลูกชายก็ทำให้ชันดีใจมากให้การดูแลเป็นอย่างดีลูกชายของชันก็นีมีนิสัยเหมือนชานคือเหี้ยมอมหิดื้อรัน้นไม่เชื่อฟังพ่อแม่เท่าไหร่ชอบรังแกพี่สาว ลูกชายของชานชอบทําตามนิสัยของพ่อเพราะว่าพ่อเคยสอนไว้ว่าเมื่อมีแมวมาที่บ้านก็ให้นําก้อนไฟมาให้แมวเหยียบลูกของชานก็ได้ทําอย่างนี้เรื่อยไปโดยไม่เชื่อว่าผลกรรมหรือว่าบาปบุญมันมีจริงหรือว่ามันเป็นยังไงต่อมาปรรยาของชานก็ให้กําเนิดลูกคนผู้หญิงต่อมาแต่ว่าพิการทั้งนิ้วมือนิ้วเท้างอหงอิกเข้าหากันไม่ไม่สามารถจะรักษาให้หายได้ทําให้ชานต้องทํางานหนักขึ้นอีกเพราะว่าก่อนหน้านี้ ชานนำเงินที่หาได้ไปเล่นการพนันจนหมดแล้วก็ไม่สามารถจะไปกู้ยืมเงินเพื่อนบ้านได้เพราะว่าชานันเป็นคนไม่รักษาคําพูดไม่รักษาสัญญางานที่ชานไปทําส่วนใหญ่เป็นงานรับจ้างส่วนภรรยาของชานเมื่อคลอดลูกก็เกิดอาการผิดปกติไม่สามารถจะทำงานได้ตามปกติก็มีแต่เลี้ยงลูกอยู่อย่างเดียวทํางานบ้านไม่ได้ชานก็ต้องทํางานทั้งนอกบ้านแล้วก็ในบ้านด้วยนี่แหละนะผลกรรมที่เขาได้ทํำมาไว้กับแมว เวลานี้ในชาญก็ต้องยอมรับกรรมนั่นครับเรื่องแปลกๆอีกเรื่องหนึง่งในบุญธรรมครับเดิมเป็นชาวขอนแก่นมาได้ภรรยาอยู่ที่อำเภอเวียงป่าเป้าจัางหวัดเชียงรายก็มาปักหลักรรมาหากินที่นั่นอาชีพหลักก็คือการทำนาแล้วก็รับจ้างทั่วไปพอว่างจากการทำนาก็มักจะชวนพักพวกเข้าป่าเพื่อตัดต้นไม้มาขายราคาถูกๆเส้นทางที่นายบุญธรรมกับพักพวก ไปเป็นประจําก็คือเขตป่าสงวนในเขตอํเาเภอวังเหนือจังหวัดลําปางซึ่งใช้วิธีเดินด้วยเท้าด้วยการลัดจากบ้านห้วยป่าเศร้าอํเาเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายข้ามดอย10กว่ากิโลเมตรเท่านั้นกินเวลา 3- าสี่ชั่วโมงก็ถึงที่หมายตอนขาไปในบุญธรรมก็พาพักพวกอีก 3-4 คนไม่มีเครื่องมืออะไรมากมีมีดยาวแล้วก็ขวานเท่านั้นและสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คืออาหารเตรียมไว้เป็นสเสบียงสําหรับ 3-7 วัน บางครั้งต้องใช้เวลานอนกันอยู่ในป่าถึง15้าวันก็มีใครที่ไม่เคยไปเที่ยวแถวนั้นคงยังไม่ทราบว่าบริเวณป่าขาวแถบนั้นเต็มไปด้วยสัตว์ร้ายนาน า, นานชนิดนับตั้งแต่ทากตัวเล็กๆซึ่งใช้วิธีคืบตัวมาอย่างเงียบเชียบและนุ่มนวลเมื่อก่ะนิ้วเทา้าหรือว่าขาของท่านแล้วมันจะดูดกินเลือดอย่างชนิดที่ไม่รู้สึกตัวเลยมารู้สึกว่าเจ็บๆคันๆก็ที่มันกินเลือดจนตัวอ้วนไปแล้ว นอกจากนั้นก็ยังมีกิ้งคือตะขาบงูสารพัดแต่ว่าพวกของนายบุญชัอ่อาบุญธรรมก็ไม่ได้เกรงกลัวสิ่งใดหรอกเพราะว่าโดยเฉพาะนายบุญธรรมนั้นเวลาถูกท่าเกาะหรือว่าเห็นกิ้งคือหรือตะขาบแล้วเขาจะเอามีดสับลําตัวสัตว์เหล่านั้นให้ขาดออกจากกันเป็นสองท่อนสัตว์เหล่านั้นเมื่อถูกตัดลําตัวออกมันก็คงจะเจ็บปวดแต่ก็ยังไม่ตายนะพยายามจะดิ้นรนตะเกียกตะกายไปคนละทิศคนละทาง ท่อนหัวเดินไปทางท่อนหางเดินไปอีกทางหนึ่งก่อนที่มันจะตายซึ่งทําให้นบุญธรรมก็หัวเราะได้ความชอบอกชอบใจขบขันในอาการของสัตว์ที่เขาได้สับร่างกายก็มันขาดเป็นสองทอดการกระทำของนายบุญธรรมนี่เพื่อนร่วมงานทุกคนรู้ดีเพราะในบุญธรรมทำเป็นประจําำคุณสมบูรณ์ที่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังเนี่ยก็บอกว่าเขาก็เห็นด้วยตาตัวเองหลายครั้งเพราะว่าในบุญธรรมเนี่ยมารับจ้างถางหญ้าที่หน้าบ้านพักของ คุณสมบุรณ์คุณสมบูรณก็เคยเตือนสติในบุญธรรมมาอย่าทรมานสัตว์เลยจะฆ่าก็ฆ่ า, ามันให้รู้แล้วรู้รอดไปแต่ว่าในบุญธรรมกลับหัวเราะชอบใจบอกสนุกดีเหตุการณ์อย่างนี้ก็ดําเนินไปไม่ได้หยุดยั้ยงในบุญธรรมก็คงสนุกกับการที่ได้เห็นสัตว์เลื้อยคานถูกสับออกเป็นสองท่อนแต่ละท่อนเดินกันไปคนละทิศคนละทางถ้าเราไม่พูดถึงบาปบุญคุณโทษการกระทําว่าในบุญธรรมก็ดูดูน่าสนุกแล้วก็ น้าขบขันจริงๆที่สัตว์ตัวเดียวกันแต่ว่าร่างกายขาดเป็นสองท่อนเนี่ยเดินกันไปคนละทางแยกกันไปแต่ถ้าเราลองคิดถึงตัวเราเองเมื่อถูกกระทําอย่างนี้เราก็คงไม่ชอบแล้วก็คงจะกระสือกระสนทรมานมากจนกว่าจะขาดใจตายพูดถึงการรักตัวกลัวตายไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เป็นสัตว์ไม่ว่าจะเป็นสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ตามสัญชาตญาณก็ย่อมกลัวตายด้วยกันทั้งสิ้นและชีวิตทุกชีวิตก็ย่อมมีค่าเท่าเทียมกันทั้งหมดท่านผู้ฟัง สัตว์โลกทั้งหลายรวมทั้งมนุษย์ด้วยเนี่ยก็ย่อมเวียนไหวตายเกิดเช่นเดียวกันมีการเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งนั้นจะ่นาบุญธรรมในะคิดเพียงแค่ว่าสัตว์เหล่านี้ไม่มีประโยชน์อะไรเลยซ้ำร้ายยังมีโทษเสอีกก็เลยตีค่าชีวิตของสัตว์เป็นสิ่งไร้ค่าควรแก่การทำลายมากกว่าอย่างอื่นเมื่อประมาณเดือนตุลาคมปีนั้นหลังจากที่นายบุญธรรมเสร็จจากการทำนาก็ชวนพรรคพวกเข้าป่าตัดไม้ตามเคยปีนั้นฝนตกชุกมาก แต่พวกเขากลับชอบเพราะว่าเป็นช่วงที่ปลอดจากเจ้าหน้าที่ป่าไม้เพราะว่าการเดินทางเป็นไปด้วยความยากลําบากนายบุญธรรมกับพวกเลือกต้นไม้ได้ตามความต้องการก็จัดการโค่นลงต้นแล้วต้นเล่าจนกระทั่งถึงเวลาบ่ายนั้หยุดพักกินอาหารกลางวันกันนายบุญธรรมก็เรียกเพื่อนร่วม ง, งานมากินข้าวข้าวเอาวางไว้บนตอไม้แต่เมื่อนายบุญธรรมมองไปที่ห่อข้าวก็เห็นกิ้งคือตัวนึงนอนอยู่บนนั้นน่ะนายบุญธรรมไม่รอให้มันเดิน รีบไปเอาไม้เขี่ยกิ้งกือออกจากห่อข้าวใช้มีดยาวสับกลางตัวกิ้งกือขาดเป็นสองท่อนพร้อมกับหัวเราะชอบใจที่ได้เห็นสัตว์ทรมานเหตุการณ์ในระหว่างกินอาหารกลางวันก็เป็นไปโดยปกติพอได้พักผ่อนกันเรียบร้อยแล้วก็ชวนกันไปตัดไม้ต่อเขาเลือกได้ต้นไม้เต็งขนาดใหญ่ต้นหนึ่งมีลักษณะสวยงามมากลำต้นตรงสูงใหญ่นายบุญธรรมกับพวกอีกคนหนึ่งก็ช่วยกับขวานวันคนละด้าน การโคนครั้งนี้ทั้งสองคนก็เหน็ดเหนื่อยมากก็เลยนั่งพักเอาแรงกันในบุญธรรมคงจะเหนื่อยมากถึงขนาดงีบหลับไปใกล้ๆกับต้นแตงนั่นแหละเวลานั้นฝนตกลงมาอย่างหนักมีลมพายุเป็นครั้งคราวในบุญธรรมยังคงนอนหลับสบายท่ามกลางสายฝนส่วนเพื่อนของเขาหลบฝนไปอีกทางหนึ่งชั่วเสี้ยววินาทีนั้นไม่มีใครคาดคิดมาก่อน ลมซึ่งพัดกระนำต้นแต่งซึ่งได้ถูกวันไว้จนคอดเกี่วนั่นก็ทําให้ต้นแต่งนั้นหักล้มลงอย่างรวดเร็วแล้วที่สําคัญที่สุดมันล้มมาทางนบุญธรรมซึ่งกำลังนอนหลับเพลินอยู่พอดีกว่านายบุญธรรมจะรู้อะไรเป็นอะไรก็มีเสียงดังโครมเสียงสนั่นแผ่นดินสะเทือนไปทั่วเพื่อนๆนายบุญธรรมวิ่งมาดูก็พบว่านายบุญธรรมกำลังดิน้นทุรนทุรายตาเลือกถลนพยายามตะเกียกตะกายเพื่อพ้นจากต้นไม้ต้นนั้น เพื่อนร่วมงานพยายามหาวิธีช่วยเหลือในบุญธรรมอย่างเต็มความสามารถแต่ก็ไม่สามารถช่วยอะไรได้เพราะว่าเมื่อทุกคนมองดูร่างกายของนายบุญธรรมอย่างถี่ถ้วนแล้วจึงได้รู้ว่าร่างกายในบุญธรรมขณะนั้นได้ขาดออกจากกันเป็นสองท่อนนายบุญธรรมดิ้นรนอยู่ได้พักเดียวก็เงียบสงบลงทิ้งไว้แต่ความเศร้าสลดใจให้กับเพื่อนๆแล้วมีใครสักคนหรือเปล่าไม่ทราบที่ย้อนกลับไปคิดถึงการกระทำของนายบุญธรรมที่ทำมาโดยตลอด มีใครสักคนไหมที่คิดแล้วเชื่อว่านี่คือกฎแห่งกรรมสนองเข้าแล้วจังๆพูดถึงวัดเนี่ยท่านผู้ฟังวัดนี้เป็นแหล่งรวมคนทุกชั้นทุกวัยคนดีก็เข้าคนไม่ดีก็เข้าคนดีก็เข้าไปอาศัยวัดเพื่อที่จะบำเพ็ญศีลภาวนาทำจิตทำใจให้ผ่องแผ้วขึ้นไปอีก คนไม่ดีก็ถูกนําเข้าไปอยู่วัดอเพื่อจะไปอบรมบ่มนิสัยให้เป็นคนดีของไม่ดีก็เอาเข้าวัดอย่างเช่นหมูห้ากีบในชาวบ้านก็ถือว่าเป็นหมูอปมงคลใครเลี้ยงนะเลี้ยงได้แต่จะค่าขายต้องมีอันเป็นไปทันตาเห็นก็ว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นใครมีหมูอย่างว่าเนี่ยก็เอาไปให้ไว้ที่วัดให้พระท่านเลี้ยงพระท่านก็ต้องรับ ใครมีลูกหลานเก่งมะเรเกเกเรก็เอาไปไว้ที่วัดให้พระท่านเข็นดัดนิสัยแม้กระทั่งของขบของกินอะไรต่ออะไรเนี่ยสมัยก่อนนี่วัดนี่พระท่านเข้มงวดกวดขันจริงๆโดยเฉพาะกับเนนน้อยแล้วก็เด็กวัดเนี่ยหนักทีเดียวขนาดนั่งหลับอ่านหนังสือนี่มีหวังถูกาสาดโครมด้วยน้ำเป็นถังๆแต่เด็กวัดก็เหลือเกินกันจริงๆนะ คุนชานเขาเล่าให้ฟังสมัยแกเป็นเด็กวัดนี่มักจะหนีออกจากอ่าทางด้านหลังวัดนี่นะออกไปหากบกันนะมีเครื่องมือก็โคมไฟตักข้องไม้ตีกบได้เครื่องมือแล้วก็ออกทุ่งกันไปเลยประมาณสักสี่ทุ่มคืนไหนได้กบมามากกว่าเอามาขายคนข้างวัดนั่นแหละเขาก็รับซื้อไว้หมดแล้วก็ยุเด็กวัดให้ไปหาอีกนะอ่า พักพวกคุณชานนี่เด็กวัดนี่ล้วนแต่เป็นนักเรียนรุ่นพี่ทั้งนั้นสี่ห้าคนพอออกหลังวัดไปแล้วก็แยกย้ายกันไปตามคันนาคนละเส้นอบที่ทุ่งหลังวัดนี่มันชุมจริงๆหาไม่นานก็เต็มตะข้องเอามาขายก็ได้หลายบาททีเดียวแต่ว่ามีเพื่อนรุ่นพี่คนหนึ่งชื่อพี่พัดเนี่ยแกไม่ยอมใช้ตะข้องเอาเสียเลยเหตุผลที่แกไม่ยอมใช้แกก็บอกว่าตะข้องเนี่มันซ่อนยากแล้วก็รุงรังแกใช้เสื้อปาน ว่นเป็นเส้นเล็กๆพอได้กบมาแกก็จะผูกเอวกบไว้เป็นพวงพวงกบที่ถูกผูกมันก็จะรอ้องอ๊บอ๊อบแ อ, แอมาตลอดทางแต่กบที่อยู่ในตะค้องน่ยมันเงียบกริบเลยนะแต่ที่ถูกผูกเอวนี่มันร้องคงจะเจ็บมันพี่พัดนี่แกถนัดทางผูกกบแต่ว่าคนอื่นนะไม่สามารถจะผูกได้ผูกทีไรกบมันโดดหนีทุกทีแล้วทุกหน้าฝนพวกเด็กวัดสี่ห้าคนที่ว่านี่ก็จะมีตะตังซื้อขนมกันอย่างสบาย คือไหนขายกบได้สตังค์มากตื่นเช้าเข้าตลาดก็ซื้อขนมมาปิดปากเนนบ้างเด็กวัดที่ว่าไม่ได้ออกไปด้วยเรื่องมันก็เงียบชีอาศัยวัดเป็นที่อยู่เรียนหนังสือนั่งหากันจนจบแล้วทีนี้ก็หางานหาการทำบางคนก็ไปเป็นครูบาอาจารย์เป็นนายร้อยนายพันไปก็มีในกลุ่มนี้ก็มีแต่พี่พัดคนเดียวที่ว่าเนี่ยไปไหนไม่รอด ที่ไปไม่รอดไม่ใช่ว่าแกเรียนไม่เก่งหรือว่าพ่อแม่ยากจนแกเรียนหนังสือเก่งเอาเรื่องเลยละพ่อแม่ของแกก็อยู่ในฐานะเรียกว่ามั่งมีไรนาของแกเป็นร้อยรอยไร่วัวควายเป็นฝูงฝูงแต่ว่าที่แกไปไหนไม่ได้นั้นก็เพราะว่าแกเสียสติครับบ้าบ้าบาบาแกเริ่มเป็นบ้าหลังจากที่จบม .6 ออกมาแล้ววันดีคืนดีแกก็ล้มลงชักดิ้นชักงอน้ำลายฟูมปากสักพักหนึ่ง แล้วก็ค่อยๆรู้สึกตัวฟื้นคืนขึ้นมาเป็นคนธรรมดาอย่างเดิมพ่อแม่ญาติพี่น้องของแกก็พาไปรักษาทั้งหมอสมัยใหม่หมอพื้นบ้านแต่ว่าอาการของแกไม่มีทีท่าจะดีขึ้นเลยโดยเฉพาะวันพระพ่อแม่พี่น้องนแทบจะไม่ได้ไปทํางานทําการเพราะในวันพระนี่แกจะเอาแต่นั่งบนงึมงำบนไปบนมาก็ล้มลงชักดิ้นสักพักหนึ่งพอฟื้นตื่นขึ้นมาก็ตั้งหน้าบนใหม่ พ่อของแกยังหมดควายไปหลายตัวขายเอาเงินมารักษาแกปีแรกความบ้าของแกไม่ค่อยหนักหนาเท่าไหร่พอเข้าปีที่สองเนี่ยแกเริ่มอารวาสทุบข้าวทุบของเที่ยวหาดินเหนียวมาปั้นเป็นกระสุนหนังสติกพอได้กระสุนมาแล้วแกก็จะเริ่มยิงแกก็จะนั่งอยู่ที่นอกชานเรือนยิงตรงไปที่เสารั้วบ้านของแกนะยิงทั้งวันน่ะยิงจนหมดกระสุนก็ปั้นใหม่นะยิงอยู่อย่างนั้นทั้งวันไม่ยอมกินข้าวกินน้ํา พอเริ่มเข้าปีที่สามความบ้าของแกก็เริ่มดุเดือดแกถือมีดถือไม้เที่ยวไล่ทุบไล่แทงญาติญาตินะ ท, ที่แรกก็ไล่แทงญาติก่อนนานวันเขาก็ชักกำเริบเที่ยวไล่คนอื่นๆจนชาวบ้านไม่กล้าเดินผ่านบ้านแกพ่อแกก็เลยจับล่ามโซ่ติดเสาเรือนเอาไว้บนบ้านแกก็พยายามดิ้นรนทั้งดึงโซ่ทั้งดึงทั้งกระชากจนกระทั่งข้อสะออาข้เท้าข้างขวาที่ถูกโซ่ผูกนะครับเป็นรอยบวมพองแกก็ไม่ยอมหยุด พ่อแม่ก็คงจะสงสารก็เลื่อนโซ่ขึ้นมาผูกไว้ที่เอวเสร็จแล้วก็ใช้เศษผ้าพันโซ่ไว้อีกชั้นหนึ่งตอนนี้พี่พัดออกท่าออกทางแปลกๆแกจะลุกขึ้นยืนแล้วก็โถม อ, อกไปทั้งตัวเพื่อจะให้โซ่ขาดพอโถมจนเหนื่อยแล้วก็เลยพานลงนอนคว่าหน้าตื่นขึ้นมาก็เริ่มดึงอีกดึงไปดึงมาทำท่าเหมือนกบกระโดดวันหนึ่งขณะที่แกกาลังกระโดดโยงโยงอยู่นั้นลุงแกมาเยี่ยม มาเห็นท่าทางของแกเข้าลุงก็เลยย้าบอกเฮ้ย hey, พัดเอ็งทําอะไรวะนาเต้นยังกะกบเชียวพอลุงพูดจบนี่พี่พัทเป็นกบไปจริงๆเลยคือแกกระโดดไปร้องไปร้องอบอบไปด้วยแกทําเหมือนกบแม้กระทั่งตอนนั่งก็เหมือนกบตอนหลับก็เหมือนกบตื่นขึ้นมาเมื่อไหร่จะร้องเป็นกบทันทีเกือบสามปีที่พี่พัททนทุกทรมานอยู่กับความบ้า แกก็ผ่ายผอมลงมากพ่อแม่ของแกก็พลอย ผ, ยผอมลงทั้งซับผอมทั้งร่างกายบ่ายวันนั้นเอ่อมันเป็นหน้าร้อนที่ป่าช้าเหนือหมู่บ้านก็มีพระทุดงมาปักรถสององค์คงจะเป็นเวลาที่พี่พัดเนี่ยจะหมดกรรมแล้วหรื อ, อยังไงไม่รู้ก็ทำให้พ่อพีพัชเนี่ยไปเจอพระทุดงครับ แกมาคุยบอกว่าพอเห็นหน้าพระธุดงองค์แก่เนะี่แกก็เกิดความปิติอิ่มเอิบอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนแกคลานเข้าไปกราบไหว้แล้วก็สนทนากับท่านอยู่เกือบจะค่ําถึงได้กราบลากลับมาบ้านรุ่งเช้าพระท่านออกบินธบาตโปรสัตว์ลุงไสซึ่งเป็นพ่อพิพัฒน์เนี่ยก็เอาข้าวเอาอาหารไปถวายพอพระท่านยะถาสัพพีเสร็จแล้วท่านก็บอกกับลุงไสายบอกว่าที่ลูกชายของโยมเป็นบ้านเนี่ยมันเป็นโรคกรรม จะอยู่ยากันสักเท่าไหร่ก็ยากที่จะหายทางที่จะผ่อนคลายได้บ้างก็มีอยู่คือโยมจะต้องนําลูกชายของโยมเนี่ยไปที่วัดให้พระท่านรดด้วยน้ําพระพุทธมนต์จนกว่าอาการจะดีขึ้นหากว่าได้สติคืนมาดีอย่างเดิมแล้วต้องให้ลูกของโยมในบวชเป็นพระพระทุดงท่านพูดเท่านั้นแหละแล้วท่านก็ออกเดินไปลุงใสก็กลับมาบ้านปรึกษาหารือกับเมียกับญาติพี่น้องแล้วทุกคนก็เห็นดีด้วยวันนั้นพี่พัดก็ถูกนําไปหาพระ ลุงใสก็นิมนต์พระมาสี่รูปมาสะดาเคราะหแล้วก็รดน้ำมนต์ให้พิพัฒน์จนครบสามวันอาการของแกก็ดีขึ้นจริงๆพิพัฒน์ก็รู้จักทักทายคนนั่นคนนี้ขึ้นบ้างแล้วไอ้โซ่ที่ผูกเอวเหมือนกับ ก, กบนี่ก็ถูกแก้ออกหลวงลุงก็บอกให้แกอยู่เสียที่วัดแกก็ยอมอยู่โดยดีนับเวลาร่วมสามเดือนที่พิพัฒน์อยู่ที่วัดอ้วนท้วนสมบูรณ์ขึ้นมากลักษณะอาการของความบ้านี่หายไปหมดสิน้น หลวงลุงก็เลยให้แกขานนักแล้วก็อุปสมบทให้แกในพรรษานั่นเองเมื่อบวชแล้วนี่ตอนเข้าพรรษาหลวงพี่พัดก็อยู่แต่ในโบสถ์จะออกจากโบสถ์ก็เวลาบิณฑบาตชันเช้าทากิจส่วนตัวนอกนั้นท่านก็จะเอาแต่นั่งหลับตาสมาธิอยู่หน้าพระพุทธรูปองค์พระประธานจนกระทั่งถึงการออกพรรษาพอออกพรรษาแล้วไม่นานพระภิกษุสุพั์ก็แบกกรดหิ้ ugas พ า, า, ายบา ออกจากวัดไปจนกระทั่งบัดนี้ไม่มีใครได้พบพระภิกษุสุพัฒฉายาสุภัโทโธอีกเลยไม่ทราบว่าท่านทุดงไปอยู่แห่งหนตําตำบลไหนครับครับจากกันวันนี้ด้วยพุทธภาษิต ท, ที่ว่านัตถิปัญญาสมาอาภาครับแปลว่าแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีอาทิตย์จันทร์ส่องแสงแจ้งกระจ่าง ส่องสว่างรุ่งเรืองเฟื่องเวหามิอาจเปรียบเทียบทันเท่าปัญญาสว่างกว่าสุริยันดวงจันเพนแสงอัคคีหมื่นพันจันอาทิตย์ถ้าถูกปิดบังป้องมองไม่เห็นแต่ปัญญาใครปิดไม่มิดเม้นมองแหลเห็นลอดล่าและฟ้าดินสวัสดีครับ